กายนี่ก็ยังไม่แตกสลายถ้าน้ําน้อยไปเช่นเป็นโรคอหฮวายไงน้ําหมดจากร่างกายตายเหมือนกันตายได้เหมือนกันรักษาไม่ทันตายเลยต้เขาน้ำเกลือต้องอะไรพอน้ําหมดจากร่างกายอันนี้ส่วนที่เวียด น, นา ส่วนที่เป็นน้ำนี่ไม่ไม่มีอยู่ที่อื่นหรอกอยู่ที่ตัวเราหนึ่งนี่สองถาดแล้วถาดไฟไฟยังกายให้เราร้อนไฟยังกายให้อบอุน่นไฟให้ย่อยอาหาร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 ส่วนประกอบอย่างนี้เราแยกออกจากกันมานดินเอาไว้พอดินเอาไว้ต่างหากน้าเอาไว้ต่างหากไม่ให้ผสมกันลมก็เอาไว้อีกส่วนหนึ่งไฟก็เอาไว้ส่วนหนึ่ง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 นี่แหละถ้านให้พิจารณาอย่างนี้ส่วนอีกธาตุหนึ่งคือวิญญาณธาตุกับอากาศธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างในร่างกายเออวิญญาณธาตุคือวิญญาณที่เรามายึดถือเอาตัวนี้เอาอ้างนี่ขัดนี่ว่าเป็นตัวตนของเราของเราแต่พอลมหมดหายใจไม่ได้แล้วนั่นแหละ ปิยาธาตุก็อยู่ไม่ได้ต้องไปสู่พบภูมิใหม่ต้องไปเกิดอีกถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่ทำความภาคความเพียรอกาสที่จะไปเกิดอีกนะ่มันมีมากเกิดนานแสนนานโ้ยเป็น ก, บกับกันกันเจ้าอระคุณเลย เที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายนั่นแหละไม่เข็ดไม่หลาบสักทีเกิดมามีทุกอย่างจำไม่ได้แล้ว่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เอามาพิจารณาบ่อยๆว่าตัวตนของเราเนี่ยมันประกอบด้วยส่วนสำคัญที่เป็นกรรมฐานเนี่ยสี่อย่างคือส่วนที่เป็นดิน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 ให้เราเห็นชัดลงไปในตัวของเรานีเห็นชัดชัดลงไปนี่แหละอันนี้ท่านเรียกว่าธาตุกรรมฐานพิจารณาเห็นเป็นอันนี้จังทุกขังอนาตาพิจารณาเห็นเป็นธาตุ เ, าเป็นอายตนะอายตนะคือตา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 ที่เข้ามายึดถือเอากายนี้มาเป็นของเราของเราแต่พอกายแตกสลายแล้ววิญญาณธาตุก็ไม่อยู่ก็ไปสู่ภพภูมิอื่นไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตดิา萨สัตน์นลกเพราะอำนาจบาปพระกุศลที่ทำไว้ไปสู่มนุษย์ไปสู่เทพเทวดาไปสู่พรม ไปที่ผ่านฝ่ายดีนะเนียคิตกอไปยึดถือเอาทางนี้อันนี้อำนาจของความดีให้พ้นเป็นสุขให้เราพิจารณาดูตัวเราประกอบส่วนในเพียงเท่านี้แหละ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 พอต้องแสงพ้าอาทิตย์ก็เหือดแห้งหายไปเหมือนพายับแดดมองดูไกลๆนี่เกล็ดเมฆสานี่มองดูไกลๆเหมือนมีตัวมีตนหยิบยับยิบยับยิบยับแต่พอเราเข้าไปใกล้ก็ไม่มีหายไปนั่นเรียกวมันไม่แน่ไม่นอนมันไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือว่านี่ของเรานี่ของเราได้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 ก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ า, จ, าจึงตรัสว่าคนในโลกกระาตอันนี้แบ่งเป็น4ี่ส่วนสามส่วนไปสู่ไบยภูมิอีกส่วนหนึ่งไปสู่สุขติภูมิที่ไปสู่ไบยภูมิไปเป็น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 ต่ำกวความเป็นมนุษย์นะภูมิมันต่ำเลยเหมือนขนโคลนโคตัวหนึ่งมีขนเ ย, ยอะไหมฮัลล์ไปสู่ใบ ย, ยาภูมเิเหมือนขนโคไปสู่ภูมิมันต่ําอันเป็นทุกข์เป็นภูมิเดือดร้อนนะมันเหมือนกับขนโคลส่วนที่เป็น เขาสองเขาเห็นไหมโคตัวหนึ่งมีเขาอีกสองเขานั่นไปสู่สุคติเท่ากับเขาโคสองเขานี่ที่ไปสู่ใบยภูเหมือนเหมือนขนโคมากไหมในบรรดาท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเทียบแล้วก็เหมือนท่านทั้งหลายนี่เป็นผู้หลีกเล่นทั้งหลายนี่เป็นผู้เหมือนเขาโค ไปสู่สุขติภูมิเหมือนเขาเหมือนขนเหมือนเขาโคเพราะฉะนั้นจึงควรพิจารณาไต่ต่องให้รอบครอบว่าคนเราเกิดมาแล้วนี่ไปสู่ภูมิที่ดีนี่เท่ากับเขาโคท่านเองมีสองเขาแต่ไปสู่ภูมิที่ชั่วเดือดร้อนเป็นทุกข์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 พราช่นนั้นให้พิจารณาให้ดีพิจารณาข้างนอกแล้วก็มาพิจารณาข้างในตัวเราตัวเราก็เหมือนกันแบบคนทั้งหลายนะียแต่พอได้ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่เหมือนนะมันก็คนละแผน ก, กันเพราะมีธรรมะในใจแล้วคือมีธรรมะเกิดขึ้นที่ใจแล้ว ใจนี้ก็ไม่ไปสู่อบยภาผูิไม่ไปสู่สูบภูมันต่ำไปสู่ภูมิสูงคือมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวุเทวดาอินพรมพั น, นิพานนี่แหละเพราะฉะนั้นให้พิจารณาให้ดีไต่ตองให้ดีตัวตาดูให้ดีไม่มีใครที่จะ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 ไม่ได้กินไม่ได้เสวยความสุขความสงบตายไปแล้วจะไปไหนเ็าไปนรกเท่านันเองแต่ถ้าเราเข้าสมาธิทำสมาธิใจเราก็สงบนั่นใจเราได้อาหารแล้วสงบทุกครั้งก็ได้อาหารทุกครั้งพูดง่ายๆว่าเรากาหนดลมปับ๊บใจก็ได้อาหารแล้วสงบลงไปแล้ว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 อย่าให้มันอย่าให้มันหลุดล่วงหายไปหมดไปจากเราให้เราให้มันให้อาหารเก่อใจทุกวันอย่าประมาทบางคนพอสอนได้ในที่นี้แล้วกลับไปก็ไม่ทําอันนั้นถือว่าประมาทเมื่อประมาทแล้วเป็นยังไงเหมือนคนที่ตายแล้ว ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราประมาทเพราะฉะนั inside, ้นอย่าประมาทให้เ hmm. ล่งทําความภาคความเพียรเข้าไว้พ hmm. ิจารณาเข้าไว้พ mm ิ hmm. <S <S ีรณาก็มีพิจารณาอะไรมากหรอกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมีใจครองแล้วไม่มีใจคลองก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่ง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 ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตายู่ตลอดเวลานี่เลยเรียกว่าเราให้อาหารแก่ใจใจเราก็จะสูงส่งขึ้นมีความฝุก ข, ขึ้นมีความสงบมากขึ้นตายเราก็ไม่หวั่นไหวถ้าใจเรามีธรรมะแล้วไม่หวั่นไหวตายก็ตายตายก็ไม่ตกต่ํามันจะตกต่ําได้ไงมันมีมากมีผลแล้วมีกุณฑธรรมแล้ว ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระดับนี้มันก็ถูกต้องตามมักแปดอยู่แล้วเราฝึกนีเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขนั้นไหนใจของเราก็ไม่เหนื่อยตามเลยสบายเ ป, เปเรียบงาะฉะนั้นอให้ตั้งใจทําไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยหัดพิจารณาไปเรื่อย